จิตจึงพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสท่านมักกล่าวบรรยายการเข้าถึงภาวะนี้ว่าจิตที่ปัญญาบ่มงอมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายหรือเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะจิตย่อมหลุดพ้นแม้จากภาวาสวะจิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอาวิชชาสวะ ลักษณะด้านหนึ่งของความเป็นอิสระในเมื่อไม่ถูกกิเลสครอบงำก็คือการไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ที่เย้ายวนหรือยั่วยุอย่างที่ท่านเรียกว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภโทสะและโมหะเพราะจิตปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วยิ่งกว่านั้นยังมีผลสืบเนื่องจากความปราศจากราคะโทสะโมหะต่อไปอีก ทือทำให้ไม่มีความหวาดเสียวสะดุง้งสถานหวั่นไหวนอกจากไม่มีเหตุที่จะให้ทำความชั่วเสียหายที่ร้ายแรงแล้วยังมีหลักประกรันความสุจริตใจในการทำงานด้วยสามารถเป็นนายของอารมณ์ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้อบรมเจริญอินทรีย์แล้วมีอินทรีย์ภาวนาคือเมื่อรับรู้อารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเกิดความรู้ตามปกติขึ้นมาว่า ของน่าชอบใจไม่น่าชอบใจหรือเป็นกลางๆงก็ตามก็สามารถบังคับสัญญาของตนได้ให้เห็นของปฏิกูลเป็นไม่ปฏิกูลเห็นของไม่ปฏิกูลเป็นปฏิกูลเป็นต้นตลอดจนจะสลับทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลวางใจเฉยเป็นกลางอยู่อย่างมีสติสัมปชัญ ญ, ญะก็ทำได้ตามต้องการดังที่กล่าวแล้วในหลักเกี่ยวกับภาวิตินรีในด้านของภาวิตากาย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 เฝ้าฝันเพอ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและหวนละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้วจึงสูบซีดหม่นหมองเหมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนถึงขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดดอันหนึ่งในพัฒเทกรัตสูตรมัชิมนิกายอุปริปันธาต์มีข้อความคล้ายกับที่นี่แต่เป็นคำสอนว่าไม่พึงหวนละห้อยความหลัง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 คำแสดงลักษณะของผู้ตรัสรู้แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องอดีตและอนาคตจึงยังมีอยู่แต่เป็นเรื่องทางด้านปัญญาเช่นปุกเพนิวาสานุสติญาณจุตูปป า, ปาตญาณอตีตังสยานอนาคตังสยานและการที่พระอรหันจะทำการใดมักคำหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนผู้จะเกิดภายหลังดังจะได้กล่าวต่อไป